พระธรรมของพระเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหลายในชาตวันนี้ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่ห้าข้อที่สิบห้าเพียงข้อเดียวจะขออนุญาตอ่านสองครั้งซ้ำกันนะครับแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้า และของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความการละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากขอพระเจ้าได้ทรงโปรดได้ประทานความตระหนักรู้และความเข้าใจในพระประวัติธรรมตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องคาริสมาของพระธานแห่งพระคุณกับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับในการขอบพระคุณนี้เราก็เริ่มต้นจาก การที่เราได้รับเป็นการตอบสนองที่เราได้รับและเมื่อเราเด็กๆหรือว่าเรามีลูกหลานเรามีลูกนะครับเราก็จะมากจะสอนให้เขารู้จักในการขอบคุณเมื่อเราให้ของหรือว่าเมื่อเขาได้รับสิ่งของและโดยเฉพาะสิ่งที่ดีเราก็ขอบพระคุณเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้า เมื่อเราเติบโตขึ้นในความเชื่อความเชื่อของเราเติบโตขึ้นเราฝึกฝนในการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าจากสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่ดีเราขอบคุณและเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเราก็ยังเต็มใจขอบพระคุณพระเจ้าอย่างนั้นไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากมายในชีวิตประจาวันของเรานะฮะ และในพระคัมภีร์คําที่ใช้เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าหรือว่าพระคุณนี้หรือว่าของประธานนี้ก็คือคําว่าคาลิสมาเราอาจจะเคยได้ยินคริสตจักรในรูปแบบของคาลิสเมติกซึ่งเป็นคริสตจักรที่เน้นเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานการรักษาโรค ก, การวางมือทั้งการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆที่เราเรียกว่าเป็นคริสตจักรคาลิสเมติกหรือว่าคริสตจักรกลุ่มเพนเทคอส ก็จะเน้นในเรื่องนี้แต่ว่าคําว่าคาลิสมาซึ่งหมายถึงของประทานแห่งพระคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของประทานเกี่ยวกับจิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณที่เป็นเรื่องฤทธิเดชต่างๆเหล่านั้นเท่านั้นนั้นเองเช้า ว, วันนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่จะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอย่างน้อยสี่ความหมายด้วยกันของคําว่าคาริสมาซึ่งเป็นของประทานแห่งพระคุณนี้ คาลิสมาเป็นของขวัญของพระเจ้าครับเป็นของประธานในคําธรรมดานั้นก็จะพบไม่มากนักในพระคัมภีร์และในภาษากรีกโบราณ น, นะครับในแม้กระทั่งในบันทึกของกระดาษพาเปลาสนั้นก็พบน้อยมากในพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีใช้สิบเจ็ดครั้งและอาจารย์เปโลเป็นผู้ที่ใช้มากที่สุดคือสิบหกครั้งอีกหนึ่งครั้งก็คือท่านเปตโตรใช้ในประการแรกนะครับ คาริสานั้นคือพระคุณที่มีอยู่อย่างมากมายในชีวิตคริสเตียนในชีวิตของผู้เชื่อในรมบทที่หนึ่งข้อ11ได้บอกว่าเพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อจะเสริมกำลังท่านทั้งหลายนี่เป็นจดหมายเป็นคำรืรึกเป็นคำห่วงใยความห่วงใยของอาจารย์ปารที่มีถึง คริสเตียนชาวเมืองโรมที่กรุงโรมเพื่อว่าท่านจะได้หนุนใจเขาเนื่องจากว่าพระคุณของพระเจ้าที่ท่านได้รับเนื่องจากความรักของพระเจ้าที่ท่านได้รับท่านจึงเป็นห่วงและห่วงใยปรารถนาที่จะให้คริสตจักรในเมืองโรมในกรุงโรมนั้นได้รับเช่นเดียวกับท่านด้วยและในกรุงโรมแท้ที่จริงแล้วเขามีของประทานมากมายทั้งความรู้สติปัญญาการค้า ธุรกิจการบริหารงานเพราะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของโลกนะเวลาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั้นเช่นเดียวกันครับในพระกมพีพระธรรมโคลินชาวคริสเตียนเมืองโคลินนั้นก็ไม่ได้ขาดของประทานไม่ได้ขาดคาลิสมาเพราะว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเขาทางพระเยซูคริสต์เจ้าและเขาเองก็ได้ รับพระคุณนั้นอย่างมากมายในการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตในการค้าขายที่โครินนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันที่โครินนั้นแม้ว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องเกี่ยวกับการใช้คาลิสเมค า, าิสมาในคริสตจักรอาจารย์ปอโลโจึงแนะนำให้เขาแสวงหาของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการใช้ฤทธิดเดช การใช้ของประทานต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราจะดูกันต่อไปในข้อต่อๆไปอาจารย์เปา โ, โลจึงอธิบายให้เขาสแสวงหาความรักเพราะว่านั่นเป็นพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าที่มีอยู่มากมายในชีวิตของคริสเตียนพี่น้องครับเราไม่เคยขาดสิ่งดีไม่เคยขาดสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเลยอากาศเราไม่ต้องซื้อ ณเวลานี้อากาศกรุงเทพก็กําลังเหมือนหน้าหนาวนะครับที่ผมใช้คําว่าเหมือนเพราะว่ามันมันยังไม่หนาวไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนกับทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะครับมันคล้ายๆดูบรรยากาศจะหนาวแต่มันก็ไม่หนาวทีเดียวนะครับอากาศเหลา่านี้เราไม่ต้องซื้อหลายคนที่เจ็บป่วยต้องซื้ออากาศหายใจแต่เราไม่ต้องซื้อเราเจ็บป่วยเรามีหมอ ที่จะรักษาแล้วมีคนที่จะให้คําแนะนำํำเราอธิษฐานเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาแท้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราอธิษฐานก่อนที่เราจะเจอก่อนแล้วนะครับเพรา ะ, ะนั้นเราจึงไม่กลัวที่จะเจอปัญหาปัญหามาเราไม่กลัวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาตอนนั้นมันไม่ได้ใหญ่กว่าพระเจ้าไม่ได้ใหญ่กว่าสติปัญญาของพระเจ้าที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเราได้เมื่อเรา อธิษฐานเราก็มอบเรื่องราวทุกสิ่งของเรานั้นไว้กับพระเจ้าอยู่เสมอทุกๆเรื่องราวเรามีพี่น้องที่จะสนับสนุนคอยอธิษฐานเพื่อเราอย่างที่เราเผชิญปัญหามีคนคอยที่จะรับฟังเรามีคนที่จะยืนเคียงข้างเราไม่ให้เราเดินอยู่เดียวดายเดินไปพร้อมกันกับเรา นี่คือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้สายลมแสงแดดน้ำฟ้าสายฝนให้กับเราทุกทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเราได้รับการดูแลดีดียิ่งกว่านกแม้ว่านกไม่เคยขัดสนไม่เคยอดตายแต่พระคุณของพระเจ้านั้นประทานให้กับเราทั้งหลายในชีวิตประจาวันดีมากมายยิ่งกว่านกเหล่านั้นประการที่สองครับคาริสมานอกจากเป็น พระคุณที่มีต่อเราในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วค า, าริสビานั้นเป็นพระคุณในการอภัยโทษบาปดังที่ผู้ปกครองได้อัญเชิญไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นขออ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณ ของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือเปรียสคริตก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากเราเห็นการเปรียบเทียบนาที่นี้นะครับคาริสมาเป็นพระคุณของพระเจ้าและการอภัยโทษบาปในการพิพากษาของพระเจ้ารางวัลหรือว่าค่าตอบแทนของความบาปนั้นก็คือความตายและเป็นความตายรางวัลที่เกิดจากการ ละเมิดคำว่าละเมิดในภาษากรีกมีความหมายว่าข้างๆหรือและมีความหมายว่าตกซึ่งหมายถึงการตกจากเส้นทางที่ถูกต้องแต่เมื่อเราพิจารณาดูดีๆในภาษาไทยเราเราก็พบว่าการละเมิดเป็นการที่รู้แล้วว่าไม่ควรทำก็ยังทำนิโทษหนักกว่านะครับหรือการเผลอ นี่ก็คือการทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่การละเมิดคือการรู้แล้วว่าผิดก็ยังตั้งใจที่จะทำตั้งใจละเมิดอาจารย์ปโลจึงบอกว่าอย่าให้ผู้ใดนั้นหมิ่นประมาทพระคุณของพระเจ้า <c oughs> การละเมิดนี้อาดัมเป็นผู้เริ่มต้นเป็นคนแรกอาดัมกับเอวาก็นำผลของการละเมิดนั้นมาสู่มนุษย์ทุกคน นั้นทุกคนจึงเป็นมนุษย์ที่ต้องตายแต่คาริสมาของพระเจ้าของพระชานของพระเจ้านั้นเป็นความรอดที่มาโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้เปลี่ยนให้การตายหรือว่าความตายนิรัน์นั้นกลับมาสู่ชีวิตนิรัน์คือการที่จะอยู่กับพระเจ้านิรัน์มีการติดสนิทมีการคืนดีกับพระเจ้านั้นค่าจ้าของความบาป ที่คือความตายนั้นถูกลงโทษถูกมีคนรับแทนแล้วนั่นคือพระเยซูกิ์เจ้านั่นเองนั่นคือการกระทําของคนคนเดียวคือพระเยซูกิ์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากแต่ไม่ใช่ว่าคนเป็นอันมากทั้งหมดนั้นจะได้รับแต่คนที่ได้รับนั่นก็คือคนที่เปิดใจคนที่รับเอาพระเยซูกิจเจ้าเป็นพระเจ้าของเขานั่นเอง นั้นพระราชกิจของการช่วยให้รอดของพระเยซูกิจเจ้าเพียงครั้งเดียวนั้นจึงมีผลที่ยิ่งใหญ่กว่าการกระทําบาปเพียงครั้งเดียวของอาดัมพระเยซูเจ้าไม่ได้เพียงนํามนุษย์ได้คืนดีกันกับพระเจ้าทําลายคําแฉ่งสาบแห่งความตายให้สูญสิ้นไปชําระความผิดบาปทั้งสิ้นของเราพระองค์ยังทรงกระทําให้ผู้เชื่อทั้งหลายนั้น ได้รับความชอบธรรมและสง่าราศีของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประกาศเองว่าชอบธรรมนั่นหมายความว่าถูกต้องแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้ว่าในสายตาของมนุษย์อาจจะไม่ชอบธรรมก็ได้แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้านั้นชอบธรรมพ้นผิดพ้นการลงโทษแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประกาศให้กับผู้ที่เชื่อทั้งหลายและเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น เป็นพระคุณล้ำเลิศเป็นพระคุณสอนพระคุณของพระเจ้าที่มีให้กับคนบาปเช่นเราอาจารย์เปโลกล่าวว่าเพราะโดยการละเมิดของคนคือเดียวนั้นเป็นเหตุทาให้ความตายคอดครอบงำโดยคนคนเดียวมากกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูร์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริส ขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือคนคนเดียวที่กระทาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่น้องครับเราทั้งหลายจึงได้รับพระคุณเราทั้งหลายจึงได้รับความรอดโดยพระคุณไม่ใช่เราทั้งหลายกระทาเองนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คาริสมาของประทานแห่งพระคุณในการอภัยโทษประการที่สมครับของประทาน เพื่อการรับใช้โรมบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8ได้กล่าวว่าเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยโพระชนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาค ก, ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวา ง, วางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีที่เราบอกว่าให้ด้วยใจยินดีก็เช่นนี้ล่ะครับพระเจ้าประทานความสามารถพระเจ้าประทานของประทานให้กับเราทุกคนเพื่อจะรับใช้พระองค์ไม่ได้เชื่อเพื่อตัวเราเองจะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เปตโตรขอร้องให้ คริสเตียนทุกคนผู้รับใช้ทุกคนรับใช้ตามของพระชานตามคาริสมาที่เขาได้รับนี่เป็นของขวัญที่เราทลายได้รับในพระธรรมตอนนี้โรมบทที่12ข้องถึงข้อ8เราจึงพบว่ามีการเผยพระชจนะมีการปรณนิบัติมีการสั่งสอนมีการเตือนสติ มีการบริจาคหรือการให้มีการครอบครองหรือว่าการปกครองมีการแสดงความเมตตาผู้ที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ล้วจึงเห็นว่านี่เป็นของประทานที่พระเจ้าให้กับเราทั้งหลายเพื่อเราจะรับใช้พระองค์เพื่อเราจะทำให้คริ่อ จ, จักรของพระองค์นั้นเข้าสู่ความไพบูรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เข้าส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า 1โครินธ์บทที่สิบสองข้อย8สิบดถึงส0บก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าและพระเจ้าทรงโปรดให้ตั้งบางคนไว้ในคริ่จักรคืออัครทูตนี่คือของประธานที่ใหญ่ที่สุดในที่นี้สองผู้เผยพระชนะสามครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นนั่นหมายความว่าสามสิ่งนี้สามของประธานนี้ เป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะรับใช้ในคริสตจักรและในอาณาจักรของพระเจ้าและต่อจากนั้นมีผู้กระทำการอิทธิฤทธิผู้รักษาโลกผู้อุปการะผู้ครอบครองผู้รู้ภาษาแปลกแต่จาย์เปโลก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพรจนะหรือ ทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือทุกคนกระทำการอิทธิฤทธิ์หรือทุกคนได้รับของประทานในการรักษาโลกหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งข้าพเจ้าจะแสดงทางที่ดีสุดให้แก่ท่านนั่นหมายความว่ายังมีของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่าคาริสมาคาิสเมติกที่เป็น ของประทานในการปรนิบัติเหล่านี้พี่น้องครับหลายๆคริสจักรก็มักจะเน้นบางจุดและละเลยบางจุดแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าชนะของพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเน้นบางเรื่องละเลยบางเรื่องแต่ว่าให้เราใช้ของประทานต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คริสจักรของพระองค์ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนของโพรงเพื่อเกิดประโยชน์แก่แผ่นดินของพระเจ้าเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รักษาโลกอาจจะหมายถึงแพทย์หมายถึงพยาบาลด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บางคนพระคัมภีร์ใช้คำ ว, ว่าบางคน แต่สิ่งที่ทุกคนควรแสวงหานั้นอาจารย์โปโลบอกว่าความรักเป็นของประทานสำหรับการดำรงชีวิตประจาวันเพื่อเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อเราจะทำให้คนอื่นอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าความรักนั้นไม่มีวันสิ้นสิดนัดงตังง้งอยู่สามสิ่งความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดทุกคนที่มีพระเจ้าจึงมีของประทานต่างๆเหล่านี้ และมีความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนเราทั้งหลายเป็นผู้เชื่อเราทั้งหลายคือผู้รับใช้พระเจ้าขอให้เราให้ของประทานที่มีอยู่ในตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการให้คาปรึกษาการให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ก, กันและกันหนุนใจผู้ที่อ่อนกำลังสนับสนุนที่ผู้ที่มีกำลังที่เข้มแข็งชูใจกันขึ้น เพื่อว่าเราทั้งหลายนั้นจะเดินไปด้วยกันเพื่อชุมชนของพระเจ้านั้นจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นเหมือนกับชุมชนในคริสตจักรยุคแรกที่เขาได้เติบโตขึ้นจากคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีมาจนถึงเราทั้งหลายเนื่องจากเหตุพี่น้องเหล่านั้นแล ะ, ะการสุดท้ายครับของขวัญที่ ได้รับโดยที่ไม่คิดมูลค่าสองข้อเรบทที่หนึ่งข้อ11ได้กล่าวว่าขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้รับพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นอาจารย์ปอโลได้กล่าวว่าเพื่อคนทั้งหลายจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทาน เพราะพระคุณที่ท่านเองก็ได้รับนั่นหมายความว่าพระคุณที่เราทั้งหลายได้รับมานั้นก็เป็นพรไปสู่ผู้อื่นต่อไปชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นชีวิตที่เป็นเหมือนองค์ที่เก็บน้ำแล้วไม่ได้ไหลออกไปสู่คนที่จะใช้น้ำแต่ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนแท้งน้ำที่เติมเข้าไปแม้ว่าแทงไม่เต็ม ก็สามารถที่จะให้น้านั้นไหลไปสู่คนที่อยู่ในบ้านอยู่ในอาคารนั้นได้คาริสมาเป็นการช่วยของพระเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากความหมายหลักของคำนี้คือของประธานที่ให้เปล่าๆทั้งที่ผู้รับไม่สมควรได้รับเป็นสิ่งที่ให้แก่มนุษย์ ผู้ที่ไม่น่าผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับไม่สมกับที่ได้รับของขวัญอันนั้นแต่นี่คือเป็นพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าซึ่งให้กับมนุษย์ไม่มีวันที่จะที่มนุษย์ไม่มีวันสามารถที่จะหาหรือว่าขวนขวายซื้อออกมาได้มาครอบครองเป็นของตัวเองหรือว่าสแสวงหาด้วยพลังกาลังของตนเองเราอาจจะเรียนรู้เราอาจจะศึกษา เราจะทุ่มเทในการเรียนในการศึกษาทำให้เรามีความรู้มีความสามารถมากมายฝึกฝนประสบการณ์แต่ของประทานของพระเจ้านั้นเราไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่เมื่อเราได้รับเราสามารถที่จะพัฒนาของประทานเหล่านั้นได้โรมบทที่หข้อที่ยี่สิบสามได้อธิบายความหมายของส่วนสำคัญไว้บอกว่า ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายค่าจ้างนี้เดิมหมายถึงเงินที่ซื้อเนื้อที่สุกแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อซื้อแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้เหมือนกับซื้ออาหารและใช้กับเงินที่ใช้จ่ายกับากับทาหารนั่นก็เป็นค่าตอบแทนแต่ว่าคาลิสมาที่พระเจ้าประทานให้นั้นไม่ต้องซื้อ จักรพรรดิในอาณาจักรโรมในอดีตนั้นก็ได้มอบของขวัญให้กับข้าราชบริพารให้กับทหารในวันที่พระองค์ฉลองอขึ้นครองราชบัลลังก์ก็จะมอบเงินเปล่ปาๆเป็นของขวัญให้กับข้าราชบริพารและกับประชากรเป็นของขวัญที่คนเหล่านี้ไม่ต้อง ทำอะไรขร า, าชวับริพานไม่ต้องทํางานแต่ว่าเขาได้รับนั่นคือจกักรพรรดิโรมันได้ให้กับคนของท่านพระเจ้าได้ส่งประทานพระคุณให้กับเราทั้งหลายนั้นคือความรอดเป็นพระคุณที่เราทั้งหลายได้รับฟรีๆไม่ใช่ที่เราทั้งหลายกระทาเอง เราผ่านพ้นพยันตรรายต่างๆในชีวิตประจำวันจิตวิญญาณและร่างกายของเราทั้งหลายนั้นได้รับการอารักขาจากพระเจ้าจอห์นนิวตันพี่น้องหลายท่านคงจำได้จอห์นนิวตันเป็นลูกของกะลาสีเรือที่ทำงานเป็นลูกจ้างบนเรือและแม่ของเขานั้นเชื่อในพระเจ้า ขณะที่ยังเล็กถูกอบรมในทางของพระเจ้าจากแม่แต่เมื่อโตมาไปทำงานร่วมกับพ่อเห็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการค้าทาสเขาไปรับจ้างในการขนทาสจากแอฟริกามายัางอังกฤษเขาเห็นเจ้านายที่โ ห, หดเหี้ยมโหดร้ายเมื่อเห็นทาสเจ็บป่วย ไม่เคยให้ยารับประทานหิวก็ต้องหาอาหารเองบางครั้งจอห์นนิวตันก็ต้องไปขุดรากไม้มาประถังชีวิตชีวิตอยู่บนความโหดร้ายเมื่อเขาค้าท่ า, อาเองเมื่อเขาเติบโตในทางธุรกิจเขาก็ทำยิ่งกว่าเจ้าไหนเ ก, เก่าท่าที่ป่วยจับโยนลงทะเลเพื่อว่าไม่ต้อง เรือจะได้ไม่ต้องรับบรรทุกน้ำหนักรู้แล้วว่าธาตุาจะไม่รอดก็โยนให้ปลากินแต่วันหนึ่งจอนเจ็บป่วยนะครับเขาก็เริ่มคิดถึงคำสอนของแม่เขาจัดให้ลูกเรือน้ำมาสการพระเจ้าเนะี่ยคิดถึงพระเจ้าแล้วนะครับให้ธาตุ มีโอกาสนมัสการพระเจ้าแต่เมื่อเขาดีขึ้นเขาก็กลับไปใบช้ชีวิตแบบเดิมโหดเหี้ยมโหดร้ายเช่นเดิมครับแล้วเขาก็ป่วยอีกเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าจนเขาเรือของเขามาขึ้นฝั่งที่เมืองลิเบอร์พูลประเทศอังกฤษและเขากลับใจจริงๆครับเขาศึกษาพระคัมภีร์ในภาษาลาตินเขาเลิกการค้าทาส และเขาก็แต่งเพลงพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจเขาเป็นเสียธิบาลนในเมืองเล็กๆที่ประเทศอังกฤษขณะที่เขาอายุ80กว่าปีขึ้นธรรมาทิศนานั้นด้วยความยากลำบากต้องมีคนช่วยพยุงขึ้นคำเทศนาสุดท้ายของจอห์นนิวตันท่านบอกว่าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจำได้เพียงอย่างเดียวว่า ข้าพเจ้าเป็นคนที่เวลวร้ายแสนสาหัสเวลวร้ายหาที่เปรียบไม่ได้แต่พระคุณของพระเจ้านั้นทำให้ข้าพเจ้าอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วจอห์นนิวตันก็เสียชีวิตในวัยที่แก่ในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับในชีวิตของเราแต่ละวันนั้นไม่ว่าเรารเผชิญ ภัยอันตรายต่างๆอาจารย์ปโลได้เตือนว่าเมื่อเราทํางานร่วมกันกับพระคิแล้วเราขอวิงวอนท่านทั้งหลายยาสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นอาจารย์โปโลเองเผชิญกับภัยอันตรายในการจำคุกในการเรือแตกในเหตุวิบัติแต่ท่านเองก็เป็นคนที่ไม่โกรธเร็วใช้ใจกรุณา อาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยฤทธิเดชของพระเจ้าอาศัยคำที่สัตว์จริงเขาผ่านเวลาแห่งความอัปยศเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าชั่วร้ายถูกลือว่าดีถูกล่อลวงให้หลงแต่เปาโลยังสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าเปาโลวิงวอนให้กับเราทั้งหลายว่าในโรมบทที่12ข้อหนึ่ง ข้อสองว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุ น, นี้ด้วยเห็นแก่พระกรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนทั้งทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างของคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่แล้วท่านจะรู้ว่าทราบน้ําพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพีม่น้องครับในวันที่พระเยซูทำพระราชกิจยิ่งใหญ่ทําการอัศจรรย์มากมายผู้คนต่างติดตามพระองค์ในวันหนึ่งที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระองค์ อยู่กับประชาชนจำนวนมากบนภูเขาตกเวลาคำ่ำในยอห์นบทที่หข้อหนึ่งถึงสิบสาได้บันทึกไว้นั้นเราพบว่าพระองค์เห็นว่ามีประชาชนจำนวนมากและพระองค์ก็เรียกฟิลิปสาวกของพระองค์มาตรัสว่าเราจะทำอย่างไรจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินฟิลิปก็ตอบว่า เงิน200เหรียญเดนาริอันก็เท่ากับค่าแรงประมาณ200วันนะครับก็ไม่พอที่จะซื้ออาหารเลี้ยงคนเหล่านี้แม้ว่าจะแบ่งกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วแอนดรูกับเปโตรนะครับก็พบเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีขนมปังเพียง5ก้อนกับปลาสองตัวมาให้พามาถึงพระเยซู แล้วเขา ส, สาวกก็บอกว่าของเล็กน้อยแค่นี้จะพออะไรในการเลี้ยงคนตั้งห้าพันคนอันนี้นับเฉพาะผู้ชายนะครับไม่นับเด็กและผู้หญิงแล้วพระเยซูทรงหยิบขนมปังสิ่งที่พระองค์ทำนั้นก็คือโมทนาพระคุณพระองค์ให้คนเหล่านั้นนั่งลงเขาเชื่อฟังพระองค์นั่งลง เพราะองค์โมทนาพระคุณแล้วทรงแจกให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เขาปรารถนาพี่น้องครับจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวที่เด็กเล็กคนหนึ่งนำมาให้นั่นเองสามารถเลี้ยงคนมากกว่า 5,000 ันคนและยังมีเหลืออีก12บสองกระบุ่ง พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอมากมายสําหรับคนในอดีตมีเพียงพอมากมายสําหรับคนในปัจจุบันมีเพียงพอสําหรับเราทุกคนถ้าเราเป็นคนนั้นที่ได้รับและให้พระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดการขอบพระคุณเป็นอันมากและเกิดการแจกจ่ายเกิดการรับใช้เป็นพรแก่กันและกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สําหรับของประทานแห่งพระคุณที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์คือความรอดในองค์เบียร์สกฤตและการดูแลในเลี้ยงดูในชีวิตประจําวันโปรดให้พระพรพระคุณของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ดําเนินชีวิตในการสํานึกในพระคุณของพระองค์และให้ชีวิตของข้าพรองค์ที่จะเป็นพรไปสู่ผู้คนรอบข้าง ทำให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณของพระองค์ขอพระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จในชีวิตของชาวโปรงทั้งหลาย30ิเท่า60ิเท่าหนึ่งรเท่าเป็นที่ชอบต่อพระทัยของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ